กรรมฐานก็คงยืนเรื่องศรัทธาจริตกับพุทธจริตอันนี้เพื่อจําง่ายบรรดาท่านพุทธบริษัทที่หนักในศรัทธาจริตมีกรรมฐานประจำหกอย่างซ้อ ม, มในใจให้ดีนะว่าเราทำครบไหมกรรมฐานประจำนักศรัทธาจริตก็คือหนึ่งพุทธานุสตินึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ สองธรรมมานุสตินึกถึงพระธรรมเป็นอารมณ์ 3. สังขานสุสตินึกถึงพระอริยสงฆ์เป็นอารมณ์สีศีลาน ma ุสตินึกถึงศีลเป็นอารมณ์5จาคานสุสตินึกถึงทางการบริจาคเป็นอารมณ์6กเทวตานุสตินึกถึงความดีที่ทําบุคคลให้เป็นเทวดาเป็นอารมณ์ ลองความว่าท่านที่มีเจริศเป็นศรัทธาจริศมีกรรมฐานประจำใจหกอย่างแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาท่านพุทธบริษัทที่นั่งที่นี่ก็นอกจากจะมีศรัทธาจริศทำแล้วก็ยังมีพุทธจริศคู่คู่กันด้วยสําหรับพุทธจริศนี่เป็นเจริศที่สแสดงที่ความเฉลาด พระพุทธเจ้าให้กรรมฐานไว้สีอย่างคือหนึ่งอาหารเรบริกูรัญญาสองจัตุธาตุฐานสี่สามมรานุสติและสี่อุปสมานุสติโอ้ิรู้เรื่องไหมอาหารเรบริกูสัญญานั้นก่อนจะกำลบริโภคอาหาร ไกล้ควรก่อนว่าอาหารนี่มาจากพื้นฐานในการสุขภพถ้าเรากินสองกข อ, ขอสุขภพก็เลี้ยงร่างกายสร้างร่างกายร่างกายก็สุขภพอันนี้เป็นปัจจัยที่เป็นพระอนาคามีและพระอรหันต์แล้วสองจะตุวธาตุรือนฐานสี่ที่จะนยัยว่าร่างกายแตประกอบพื้นธาตุสี่คือธาตุน้ำํำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟ ถ้ า, าธาตุอย่างหนึ่งอย่างใดบกกร้องร่างกายก็ป่วยถ้ า, าธาตุอย่างใดอย่หนึ่งสลายตัวร่างกายก็ตายเป็นเว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแน่อันนี้เป็นปัจจัยพระพอาหารหันต์เรื่องสามมรณาโนสติทิศพิมพ์ว่าร่างกายมีสภาพจะต้องตายเป็นปกติมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นนองแก่ในท่ามกลางตายใ น, นที่สุด ถ้ถือว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเมือนกันอันนี้เป็นจิตตัดใจพระอรหันต์นั่งสี่อุปสมานุสตินึกถึงผลิพานเป็นอารมณ์คิดว่าม่ร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่พวกเราเราไม่น่าจะเกิดเป็นมนุษย์เทวาดาหรือกมเพราะเป็นแดนไม่พ้นทุกข์เราต้องการนิพพานความจริงใ น, นกรรมฐานสอย่างในอุปสมานุสติหรือว่ากรรมฐานหกอย่างในศรัทธาจริต กรรมฐานสี่อย่างในในพุทธจริญและกรรมฐานหกอย่างในสัพพะจริตถ้าทําอย่างใดอย่างหนึ่งจงขึ้นใจไปจําใจทุกคนสามารถปฏิภานได้เพราะว่าทางที่ดีบรรดาแต่พุทธบริษัตทต้องกรรมฐานหกอย่างในสัพพะจริตเป็นกรรมฐาน ง, ง่ายแก่การปฏิบัติพี่ว่าง่ายการปฏิบัติเพราว่าถ้าจริตสมบุกสมบูรณใด หนักระบคนใดหนักมิจริตไหนกรรมฐานที่ประจําใจก็ทําให้คล่องสะดวกและเป็นเป็นประโยชน์ให้เกิดมากผลได้ง่ายก็ขอย้อนถึงศรัทธาจริตกรรมฐานประจําใจพุทธานุสติทุกคนตั้งใจมีความเคารพพระพุทธเจ้าเป็นประจําอันนี้ก็มีแล้วในบรรดาในพุทธบริษัทในข้อทีบายมากสองศรัทธาสองธรรมานุสติ มีความเคารพพระธรรมอันนี้ก็มีแล้วในบรรดาแท้พุทธบริษัทสามสังขานุสตินึกถึงพระอริยสงฆ์เป็นอารมณ์นึกเคารพพระอริยสงฆ์เป็นอารมณ์อันนี้ก็มีแล้วในบรรดาแท้พุทธบริษัทแล้วก็สศีลานุสติศีลานสตินึกถึงศีนเป็นอารมณ์นี่ไม่ใช่นึกเฉยๆนะนึกว่าเราจะไม่ยอมให้ศีนทั้ง ห, าห้ารายการบกต้องไปจากการการปฏิบัติของเรา หนึ่งไม่ฆ่าสัตว์สองไม่ลักทรัพย์สามไม่ประพฤติปิเทการสี่ไม่พู ด, พ ด, พดสุาวา่าห้าไม่ดื่มสุรามีไรถ้าห้าประการนี้เราจะปฏิบัติให้สมตัวถ้าเรานึกอยู่ตลอดเวลาการปฏิบัติก็ไม่บกพร่องถ้าเราไม่เลอกถ้าวรนดาท่านพุทธบริษัททรงกรรมฐานโนสีประการนี้ในศรัทธาจริง เคารพพระพุทธเจ้าเคารพพระธรมรมเคารพพระอริยสงฆ์มีศีลบริสุทอย่างนี้ท่านเรียกว่าเป็นองค์ของพระโสดาบันคําว่าองค์ของพระโสดาบันจะหมายความว่าพระโสดาบันเนี่ยทรงอารมณ์จริงเพียงเท่านี้ไม่มีอะไรมากไปกว่านี้ถ้ามากไปกว่านี้ก็าอาจจะเป็นองค์พระสกิทาคามีนาคามีกษัตระย์อรหันต อันบรรดาท่านพุทธบริษัทส่วนใหญ่ที่นั่งอยู่ที่นี่มีพวกอุปสมารุตติประจำใจอยู่ด้วยคือมีความคิดว่าเรามีความต้องการพระนิพพานเป็นที่ไปส่วนใหญ่รักพระนิพพานคิดว่าถ้าตายจากชาตินี้แล้วเราไม่หวังพระอื่นต้องการนิพพานแห่งเดียวอุปสมารุตตินี่ไปอารมณ์ขั้วอราหารันแต่ก็ควรจะควบคู่ไป อุบาสมาอุปสมานุสตินี่เป็นพุทธานุสติแตเป็นพุทธจริตคื่อไปอารมณ์ขั้วอรหันในเมื่อบรรดาแต่พุทธบริษัทโซลังสิทธิการนี้ได้สิ่งที่ต้องระวังจริงๆสำหรับพระโสดาบัญกสิกธาคามีก็คือสิ่งนี้พี่ของพระเจ้าทรงตัดว่าพระโสดาบัญก็ดีพระสิกธาคามีก็ดี <c oughs> เป็นผู้มีสมาธิเล็กน้อยมีปัญญาเล็กน้อยแต่มีสินบริสุทธิ์ก็เป็นะว่าคนที่มีศรัทธาจริตเป็นผู้ปฏิบัติง่ายในขั้นพระโสดาบันกสุจิทาคารีให้รู้จักระวังจุดเดียวคือสินสำหรับสินห้านี้เป็นภาระของพระโสดาบัน แต่บัณกิตาคารมีจริงๆก็ตัดสังโยชน์ไดสามเช่นเดียวกับประโสดาบันสังโยชน์สามอนั่นก็คือหนึ่งส ก, กายยิธิมีความรู้สึกว่าชีวิตนี้มันต้องตายสองวิจิตริชาไม่สงสัยในความดีของพระพุทธเจ้าของพระธรรมด ะ, ะอริยโสงสามสีัาปตะปรา ม, มาถือสิอ่งเรื่องค้น สัญญอดสามเดียการนี้ถ้าละได้แล้วทรงอารมณ์ความดีทรงเงินข้ามได้เแปลว่าที่ว่าทรงความดีทรงขําได้ถ้าละได้เป็นอย่างนี้สกายทิฏฐิตามโบติเราจะคิดว่าชีวิตนี้มันไม่ตายเป็นความเห็นผิดเมื่อเรากลับอารมณ์ที่ว่ามีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าชีวิตนี้มีสภาพต้องตายแน่ทิฏฐิช้า ถ้าสงสัยความดีของพระพุทธเจ้าของพระธรรมของพระอริยสงฆ์อันนี้เป็นการเห็นผิดก็กลับใจเป็นความเห็นถูกว่าพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีพระอริยสงฆ์ก็ดีท่านมีความดีที่เราพร้อมที่ยอมรับนับถือและปฏิบัติตามท่าน <c oughs> ไม่สงสัยเรื่องศีลปฏิบัติบรารมาีในด้านที่ผิดเห็นว่าศีลไม่เป็นเรื่องไม่ปฏิบัติตาม แล้วปฏิบัติตรงค้ามรสินเป็นของดีควรจะปฏิบัติตามแล้วก็ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดอย่างนี้พระโสดาบันเมอารมเท่านี้สำหรับท่านที่จะปฏิบัติตนเพื่อเป็นพระนาคามีก็ปฏพยายามตัดสังโยชนเช่นเดียวกันแต่ว่าถ้าพระนาคามีพระพุทธเจ้าทรงตัดว่า มีการละสังโยชน์ได้สามขี้นเดียวกันแต่พระสีทาคามีนี่มันท้าความโลภรรเทาความโกรธรรเทาความหลงไม่ใช่เราหมดความโลภหมดความโกรธหมดความหลงเรียกว่าความโลภคือความอยากรวยยังมีอยู่แต่ลมเบาลงไม่เป็นลุนมากเกินไปความโกรธยังมีอยู่แต่ลมเบาลงมาก ความรู้สึกโกรธเบาแล้วก็หายเร็วความหลงในร่างกายคือมีความรู้สึกร่างกายต้องการความสวยสดสุดงามนี่ยังมีอยู่สำหรับก็โสดาบันก็ดีสกิทาคามีก็ดียังไม่พ้นการมีคู่ครองทั้งสองอย่างนี้คนที่ยังไม่มีคู่ครองก็แต่งงานมีคู่ครองได้ที่มีคู่ครองแล้วก็ไม่ต้องเลืกรางก็ไม่ต้องเลืกหลกก็เลือกร่างกัน พระยมีศีในการแต่งงานเราต้องใส่แค่ชิ้นห้าในคำบวชศนั้นถ้าท่านบุญใดเวลานี้มีสินห้าบริสุทธิ์และมีความเคารพในพระเจ้าในพระธรรมพระอาญยสงศ์จริงก็ถือว่ามีความดีเสมอได้คุณธรรมของประสูตดาบันแต่ว่าจะเป็นประสูตดาบันหรือไม่เป็นนี่กนจะไปคิดมันจะประเมามันจะเมาในชีวิต ติดว่าวัาสดาบันได้ปฏิบัติได้ยังไงเราจะปฏิบัติตามนั้นอยากเป็นหรือไม่เป็นก็ช่างอยาไปะทำเอนถึงน <c oughs> ตาว่าสิ่งนัท่านบริสุทธิ์ดีแล้วมีความเคารพแต่พระไตรปนาคมดีวัสดาบันนี่มีสามขั้นคือหนึ่ง ส, ต, ส ต, ติขัดตัวในกาลังบา ร, รมียังอ่อนเป็นวัสดาบันขั้นอ่อนต้องเวียนวไหตายเกยิดในวัฏฏอีกเี็ดครั้ง คือเป็นมนุษย์เจครั้งเป็นเทวดาหรือพรหมเจ็ดครั้งก็เ <c oughs> ข้าถึงพระนิพพานได้ถ้ามีบารมีหรือกาลังใจเข้มข้นไปกลางไม่เรียกว่ากโกูรังโกูระ <c oughs> ก็จะต้องเวียนว่ายตายเกิเดเทวตาอีกสามครั้งคือเป็นมนุษอีกสามครั้งเป็นเทวดาหรือพรหมสามครั้ ง, อ, อ, งอย่างนี้เข้าถึงนิพพานได้ถ้ามีกําลังใจเข้มข้ น, ขนเรียกว่าเอกวิชี ตายจากความเป็นคนเป็นเรรมดาแล้วผมหลังจะได้เกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นพาาระรหันได้คือสำหรับพระโสดาบันถาว่าถ้าทรงศีลได้บริสุทธิ์และก็พยายามรักษาความดีต่อคือกรรมบุตรกรรมบทบทั้องสิบระการซึ่งเป็นคุณธรรมของพระสีธา ค, ค, คธารมีกรรมบทตรต้อิบราการนี้ ค, คือหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์ สไม่รักทรัพย์สาไม่ประพฤติพิติกรรมด้านทางกายทางด้านวาจา ส, สาําหรับศีลนั้นมีแต่มุสาวไหวข้อเดียวแปลว่าคำวันสิบมีสี่เป็นหนึ่งไม่พูดปดสองไม่พูดคำหยาบสามไม่พูดวาจา ส, ส่อเสียดยุโยงให้เขาแตกราวกันแล้วก็สี่ไม่พูดวาจาเหลวไหลที่ไร้ประโยชน์ใน ต, ต่อมาทางใจคำวันสิบเพิ่มทางใจ เคยจิตใจไม่คิดอยากได้ทรัพย์สมบัติของบคคอื่นไม่คิดจองล้างจองเวรจองผานบุคคลอื่นและก็มีความเห็นถูกไม่คล้ายคลาดคำสอนของสมเด็จตุสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมปฏิบัติตามอันนี้เป็นคุณธรรมของพระสิทธาธรรมีกลงความว่าแค่เรารักษากับคุณธรรมของของศรัทธาจริตเป็นแค่สี่ข้อ แต่เปลี่ยนจากศีลมาเปน็นกมบสิบก็เป็นสี่ธาคามี <c oughs> อันนี้ถือให้เป็นคุณธรรมดาแต่พุทธบริษัทไปก่อนต่อไปก็จะพูดถึงกรรมฐานสำหรับสัทธาชิตต่อไปอยู่สองบทในสอง ก, กอง <c oughs> กองต่อไปก็คือจาคานุสติกรรมฐาน สำหรับจ า, ารคาลุสติกรรมฐานประจําใจนี่เป็นปจัจจัยตัดโลภะความโลภตรงสําหรับศีลนี่เป็นปจัจจัยตัดโทสะความโกรธคนที่จะส่งศิลได้หรืทอทรงกรบฏศีลดายต้องมีเมตตาความนักกุณาความโสงสารเป็นการทําลายความโกรธโดยตรงมาถึงจ า, ารคาลุสติกรรมฐาน เป็นใบใจตัดความโลภโดยโตรงคําว่าจาคานุสติแปลว่าจิตคิ ด, คดอยากจะให้หนือยเกติกมีการส ง, งเครายู่ตลอดเวลาคือมีลักษณะตรงเล็งข้ามกับความโลภความโลภในจิตคิดอยากจะได้ทรัพย์สมบัติของผคนอื่นมาเป็นของเราโดยไม่ชอบธรรมอยากจะขโมยเขาบ้างอยากจะโกงเขาบ้างอย่างนี้เป็นต้น แต่สําหรับคนที่ทรงจาระานุสติกรรมฐานเมือ่อลงตรงกันข้ามจิตคิดจะสงเคราะห์เป็นกับเป็นกาลังและไม่อยากจะโคจรโกงใครถ้าถามว่าจาระานุสติกรรมฐานต้องให้เสมอหรือเปล่าก็ต้องตอบว่าก็จะได้จากการสมควรจิตคิดจะให้อยู่แต่ว่าเอิญการที่จะให้มีอยู่แต่ทรย์ถินมันมีไม่พอ ถ้าเราให้จะเกิดการลำบากกับเราก็ยังไม่จำเป็นต้องให้ <c oughs> แต่ว่าจิตก็พร้อมในการให้อยู่เสมออย่างนี้ถือว่าส่งความดีในจารคาลนสติกกรรมฐานแต่เมื่อทุกคนทรงจารคาลนสติกกรรมฐานเป็นอารมณ์ทีแล้วก็จิตคิดอยากได้ทรัพย์สินของคนอื่นมาได้โดยไม่ชอบทำไม่มีมีแต่คิดให้อย่างเดียว อย่างนี้พระพุทธเจ้าถืว่าเป็นผู้ชนะความโลภก็เลยก้าวหนึ่งที่ก้าวเป็นก้าที่สองที่เดินเขใกล้พระนิพพานเสมหลักกรรมฐานกองสุดท้ายของสัทธายริต ก, ก็คือเทวตานุสติคำว่านุสตินี้แปลว่านึกถึงเดิตามนึกถึงเทวตานุสติตามนึกถึงความดีที่ทำบุคคลนั้นเป็นเทวดา ไม่ใช่นึกถึงเทวดาอย่างเดียวดีไม่ดีก็ไปนึกถึงเจ้าพ่อหลักเมืองบนคอยหวยออกตามที่ชาวบ้าซื้อ อ, อ, อันนี้ไม่ถูกนะไปใช้ท่าน <c oughs> ความดีที่ทําบุคคลให้เป็น <c oughs> เทวดาท่านเรียกว่าเทวธรรมมีสองอย่างคือทีริได้ความระอายกับความชั่วโอตตะปะเกรงกลัวผลความชั่วใจผลได้เป็นทุกข์ ถ้าทุกคนทรงอารมณ์เป็นกรรมฐายข้อท้ายของสัตยจริตคือเทวตานุสติทุกคนต่างคนต่างเกรงความชั่วทั้งทางกายวาจาและใจไม่ยอมปฏิบัติความชั่วทั้งกายทั้งวาจาและนมันยอมนึกแทนใจอายความชั่วและกลัวความชั่วใจผลอารมณ์อย่างนี้เป็นอารมณ์ของพระหรัน คือทำบคุคคลให้เป็นพระอรหันต์รองความว่าทุกคนถ้าคนที่จะไปนิพพานได้จริงๆเนี่ยเขาเลิกทําความชั่วกันแล้วเขาก็เลยเลิกคิดถึงความชั่วกันคิดที่ว่า ค, ค, ความชั่วทนไมเขาพาสมาคมกันแน่แต่ว่าเวลาที่ประพฤติปฏิบัติบรรดาในพุทธบริษัทไอความทั้งเถือ่อนมายอมมาอีกเพราะทางนี้ก็ถือว่าทุกท่านยังเป็นเสียข้าบุคคล เอาสัตว์จะว่านบางคนจะเรื่องมาพูดใครพูดแทนพูดหร อ, อที่ว่าคนอื่นพูดตามบาลีที่เรีว่าเสขาบุคคลบุคคลที่ยังต้องศึกษาพระโสดาบันก็ดีพระสีธาคามมีก็ดีพระนาคามมีก็ดีตามบาลีท่านพุทธเจ้าท่านทรงเรียกว่าเสฆาบุคคล ซึ่งบุคคลที่จะต้องมาศึกษาต่อไปถึงแม้ว่าจะเป็นพระเป็นพระอริยเจ้าและก็ตามพรยังไม่เป็นพระอรหันต์ถ้าเป็นพระอรหันต์แล้วท่านเรียกอาเศธบุคคลคือคนที่ไม่ต้องศึกษาก็ไม่ต้องปฏิบัติต่อไปในขณะที่เรายังเป็นเศษขับุคคลอยู่คนที่ยัต้องศึกษาที่ระพฤ่งปฏิบัติต่อไปความทั้งเถอไม่ยังมีเป็นของธรรมดาแต่ความเพลิดก็ต้องมีตามขั้น คนที่ยังไม่เป็นพระโสดาบันจริงความเผลอในความรู้สึกสกายทิฏฐิที่มีความรู้สึกว่าชีวิตนี้จะต้องตายบางครั้งมันก็เผลอคิดว่าจะไม่ตายด้วยความเคารพในพระเจ้าก็ดีในวัฒนธรรมก็ดีในพระอารีย์สูงก็ดีที่ยังไม่เป็นพระโสดาบันจริงก็บางครั้งก็เผลอบางที่ก็ลืมเคารพเสด็จดังในบางโอกาส แล้วก็สําหรับศินห้าข้อสําหรับพระโสดาบันนี่พูดเฉพาะครวาตนะพระกัมเรนจะรักษาสินห้าข้อกับโลกร น, นั่นแหละได้ไงไปสบายเลยไม่ต้องคอยพวกนี้นะคอยเขาไม่ไปเขาไปด้วยสําหรับครวาต์จะมีเฉพาะศินห้าบางโอกาสถ้ายังไม่เป็นพระโสดา บ, บันจริงก็อยู่มีการทั้งเหลือถ้าเป็นพระอาญาเจ้าคือเป็นพระโสดา บ, บันจริง ระยกเจ้าในส่วนใดที่ตัดได้แล้วไม่มีการถอยหลังคือไม่มีคำว่าเสื่อมอยังนั้นคนิี่เปนโสดามันจริงๆจะมีความรู้สึกอย่เสมอว่าชีวิตนี้มันต้องตายไม่ลืมความตายพยายามทำความดีไว้เสมอเพื่อไม่ถอยหลังกลับไปโสู่โลกยะต่อไปถ้าเป็นโลกุตระแล้ว ด้วยความเคารพในพระเจ้าในพระธรรมในพระอริสงฆ์นี่ก็มีความไม่งคงตัวอย่างท่านสุปฏิทิตาตัวอย่างนี่จากไครเอาวะตัวอย่างทผ่นออขอทานสุ ป, ปาพุทธกุติท่านสุ ป, ปาพุทธกุตินี่ความจียงท่านเป็นขอทานและก็เป็นโลกเรือนด้วยท่านเป็นระโสดาบันแล้ว มาฟังเทศพระเจ้าตอนกลางวันเป็นประโสดาบันกลับมาตอนกลางคืนคิดว่าถ้าพระพุทธเจ้าทรงทราบว่าเราเป็นขอฐานด้วยเราเป็นลูกเรือนด้วยถ้าทรงทราบว่าเราเป็นประโสูดาบันพระเจ้าจะดีใจมากความทีพ่พระเจ้าท่านรู้ตอนตอนเช้าบุตก่อนหน้าจะไปเทศโปรดแล้วแต่ว่าท่านเป็นขอฐานหรือท่านเป็นใหม่ๆทําไมศาสตร์ ก็ตั้งใจจะไปเฝ้าพระเจ้ากราบทูลในทรงทราบว่าเวลานี้ท่านเองเป็นพระโสดามัตอนนั้นพระเองก็อยากจะทดลองใจท่านสุฟ้าสุ ป, สปาผู้ท้าขุทิพระเองก็มาแสดงตัวลอยขวางหน้าแสดงเป็นพระอินชักตามเจ้าใบรู้จักกันว่าอินสีเขียว <c oughs> แต่ความจริงพระอินไม่ใช่สีเขียว แต่ว่าอาศัยมันกดที่มงกุฎแสกงก็มงกุฎสร้างสร้นงลงมาเามิ่งเขียวถ้ามันลอยขวางหน้าถามว่าสุ ป, ปาคุถกุธิถ้าพูดเป็นภาษาไทย <c oughs> ก็ถามว่ า, าตาสุ ป, ปาคุถ้ขี่เรือนจะจะไปไหนใช่ไหมกุธีเรื่องขี่เรือนเนี่ยก็เราฟังได้เพราะในกุธีกุธิธใช่ไม <c oughs> ถ้ารู้ภาษาก็งงติวเนี่ย ถามไอตาสุปปาพุทธะขี่เรืองกัจะไปไหนเขาจะบอกว่าฉันจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าจะไปประกาศผู้ใดทรงทราบว่าเวลานี้ฉันเป็นพระโสดาบันแล้วพระอินทร์ไก็วิสู์ตรว่าคนที่เป็นพระโสดาบันจริงต้องเคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์จริ ง, งความการไม่เคารพก็จะพูดตามาดเร่เเงๆก็ย่อมไม่มี ก็เลยทดสอบว่าที่สุปาพูตะแกเป็นขอทานแล้วก็เป็นโลกเรือนด้วยถ้าแกพูดตามคำฉันพูดไม่ต้องตั้งใจก็ได้เอาพูดเล่นๆ เ, เฉยๆโดยไม่ต้องตั้งใจถ้าพูดตามคำฉันพูดแล้วก็ฉันจะบันดาลให้เธอหายจะโลกเรือนแลจะบันดานบันดาลทรัพย์ลงมาให้เธอเป็นมหาเศรษฐีถ้าสุภาพูตก็ถามว่าจะพูดไปยังไง พระอิน์ก็บอกว่าให้พูดอย่างนี้เขาพระพุทธเจ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าพระธรรมไม่ใช่พระธรรมพระสงฆ์ไม่ใช่พระสงฆ์เอาแค่เนี้ไม่ต้องตั้งใจพูดเฉยๆก็ได้ผลจะบรรดาในหายจากโรคเรือนอนี้แล้วเป็นมหาเศรษฐีทัน ท, ทีแค่ขี้หน้าพระองน์ว่าพระิน ถ, ถอยถอยไปเราเป็นคนยากจนในโลกยาซัพบคือจริงแต่เราดนสมบูรณ์ในอาญาซัพย์ เป็นเป็นตัวอย่างว่าคนที่เป็นมโสดาบันจริงๆต้องมีความมั่นคงในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระอริยสงฆ์ตามนี้นี่เป็นเครื่องว่ากำลังใจสำหรับด้านถินห้าสำหรับระโสดาบันก็มีตัวอย่างคณะคนนางสามาวดีนางสามาวดีนี่ละมงังขันธยากแกล้งให้เอาหน้าให้หน้าชายเอาไก่เป็นไปให้ แม่บกว่าพระราชาจะต้องการให้แกงไก่เสวยกับน้ำจันนั่นจันตีไงนะเล่าเลยไม่ใช่เป็นน้ำอาทิตย์นะแต่มันเล่าไป็นนะ้อาทิตกินแมันร้อนน้ำจันคุณจะเย็นนะพ อ, อเล่านะเพราะว่าจะเสวยกับน้ำจันกนินกับเล่าความจริงขัดใจพระราชาซึ่เป็นพระเจ้าสวามี่ะถ้าพระราชาขี้โกรธอาจจะตายก็ได้ พราะราชาที่ไม่ทรงธรรมจริงอาจจะขับไล่ไล่ไปชกดได้เลิกเป็นโค้เมียกันทังหาได้เยอะแยะไปใช่ไหแต่ว่าคณะพรรน า, น า, นาสามาวดีไม่ทำอย่างนั้นแต่บอก ว, ว่าถ้าให้แข่งฆ่าไก่ให้พระราชาเสวยสะน้ำจันรแกงฉันทำไม่ได้เพราะฉันรักษาศีลฉันไม่ยอมละเมิดศีลถ้าไก่ตายที่ทำได้ไก่เป็นทำไม่ได้แลที่สุด ราชาก็ไม่กระเพราทราบว่าคณะสามมาวดีจะคณะเป็นผู้ทรงธรรมนี่กําลังใจก็มาโสดาบันต้องมั่นคงในศีลแบบนี้คือไม่ทําบาปด้วยเจตนาไม่ละเว้นศีลด้วยเจตนาแต่ว่าถ้าจะพูดในการทั้งเถิอไม่เจตนาล่อเลวนกันบ้างแต่ว่าเดินไปเหยียบสัตว์ตายเดินไปเจตนาบ้างโยเปนของไปโดยไมเห็นสัตว์ไปทับสัตว์าตายบ้างอย่างนี้ไม่บาปศีลไม่ได้ขาด ความว่าสินทุกข้อเนี่ยจะขาดเพาะการตั้งใจท่านท่านที่มีศรัทธาจริตเป็นตัวนำํำ <c oughs> คณะบุคคลที่มีศรัทธาจริตเป็นตัวนํานี่ได้กําไรมากเรื่งที่ต้องระมัดระวังก็คือสินห้าอันนี้ปคนโสดาบันทรงตัวได้ง่ายสําหรับต้องการเป็นสกิทาธามีก็จะลืมถ้าสินห้าทองทรงตัวได้แล้วปฏิบัติในกำํำหนดสิ กำปั้นสิบก้อนก็เหมือนอาสินห้าแต่เพิ่มจากนอกจากวาจามาพูดเท็จแล้วก็เป็นไม่พูดหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดวาจาเหลวไหลไร้ประโยชน์แล้วก็เพิ่มทางด้านจิตใจเป ใ, ใจไม่คิดอยากได้ทรัพย์สมบัติของคนอื่นไม่คิดเจ้าเล่างจอมแส้ ใ, ใครโกรธจะยังมีโกรธไม่ใช่ไม่โกรธโกรธแล้วก็เลิกกระไรไม่อาคาดมาดร้ายมีความเห็นผูกไม่ขัดคอเพระพุจะเจ้า อย่างนี้เป็นศกิทาคามีลองความว่าคนที่มีศรัทธาจริญนำนี่ได้เปรียบมากอย่างน้อยๆถ้าโสดาบับก็อยู่ในกระเป๋าถ้าท่านลืมักคนมาใช้ก็ลงมนกันนะนี่เก็บไว้เฉยๆนะไหวไหมไหวนะก็มีสิ่งข้อเดียวแล้วต่อไปก็จารคานุสติจารคานุสตินี่ิคิดจะให้นี่เป็นบัจจัยพระนิพพานเลย คนได้ไปว่าโสดาบันในสี่ท่าการพระโสดาบันก็แล้กันง่ายงเพราะโสดาบันนี่เข้าถึงกระแสวิญญาณแล้วในขณะที่เราเป็นชาวโลกีวิสัยถ้าเปรียบเทียบไว้นคนเดินยืนในที่มืดไม่มีแสงสว่างถ้ามีบ้านใดบ้านหนึ่งไปที่อาศัยที่มีความสุขมีแสงสว่างมากเรากำลังไดินรื่องวิหารนั้น พอเข้าเขตแสงสวางถือเข้าเขตบ้านยังไงไงเด้งก็ถึงบ้านแน่นอนข้อนี้ฉันใดประสวดาบันท่านหมายความเว่าเป็นผู้เข้าถึงกระแสพุทธิพานเข้าเขตพุทธิพานแน่นอนฉะนั้มีจาคาณุติกรรมฐานเป็นกำลังแต่ความเกียงด้านเมจาราณุติกรรมฐานเนี่ยผู้เราก็ไม่หนักจนแล้วต่าก็ไม่หนักไม่หนักให้การสบาย อย่างณนะบรรดาเจ้าพุทธบริษัทที่มาเนี่ยสามวันสี่วันเขาทไม่มีใครเคยเประกาศว่าพวกเรามาทําบุญกระเทยเคยทําบุญอย่างนั่งทําบุญอย่างนี้รีบพัำกันไม่มีมีที่เรียงว่าฉันนั่งยังไม่ฉันจะวางยานับคอยอยู่แล้วนี่อารมณ์ใจคาดวิตกกรรมฐานประจําอยู่แล้วแน่นอนให้รู้ตัวไว้อยู่นะ จะให้ตัดอารมณ์อารมณ์หนึ่งคือจงใยญ่อยากได้ทรัพสมบสัติของบคนอื่นโดยไม่ชอบทำก็แล้วกันตัดตัวนี้ออกไปให้จิดคิดจะให้มีอยู่เรามีพร้อมแล้วอนนี้เราพร้อมก็น่าปลื้มใจแล้วนอกจากนั้นก็เทวตาโนสติอันนี้เป็นตัวหลานแท้เข้าเขตหลานเทวตาโนสตินึกถึงความดีที่ทําบุคคลนั้เป็นเทวดา คำว่าเทวเนี่ยทเลีย่เทวดาที่การมาวจรก็เทวแปลผู้บรงเกิดพรหมนี่เขาแปลผู้บังเกิดพระอรหันตินิพพานไปแล้วก็ดีพระพุทธเจ้านิพพานไปแล้วก็ดีถ้ทเลียกวิสุทติเทพะเทวเหมือนกันคือว่าเป็นเทวดาผู้มีความบริสุทธิ์หมดโดจาก่กิเลสจริงๆเทวดาที่กรมาวจรเป็นผู้บังเกิดบังเกิดจริงอยู่ในวงกรรมมาวจรคือมีกรรมมีความใคร่ ก็ยังถือว่ายัางดีกว่ามนุษย์เทวดาหางแถวดีกว่ามนุษย์หัวแถวด้วยความสุขกว่าถ้าเป็นพรหมนี่พรหมเป็นกลุ่มคนผู้เดียวพรหมนี่ไม่มีเพศผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามขึ้นไปเป็พรหมมีรูปร่างเหมือนกันหมดเพศหญิงด้วยชายไม่มีถือว่าเป็นผู้ประเสริฐสูงกว่าเทวดาเบิสุดกว่าแต่ว่าเป็นพรหมโรกีทรงชายนัย้ต้องกลับมาใหม่ แต่ถ้าว่าไปนิพพานก็จะถือว่าเป็นเทวดาเป็นเทวดาผู้บริสุทธิ์หมด จ, จดจะกกิเลสเขเรียเทวดาเหมือนกันนั้ น, นบรรดาเจ้าพุทธบริสุททุกท่านถ้าเข้าถึงกรรมฐานข้อสุดท้ายของของสัจธรจริตคือเทวดานุสติอายต่อความชั่วที่เราจะมุงทำท่านเรียกว่า ค, ความชั่วทางกายก็ดีวาจาก็ดีทางใจก็ดีเราไม่มีก็อายมันไม่ยอมทํา ค่อยๆไอ้ยอย่าไอาแรงไอแรงๆนี้อย่าไปเร็วค่อยๆไอ้ไอใหม่ๆนี่บางทีก็ไอาบางทีก็ขี้เกียจไอเป็นของธรรมดาจริงไหมบางครั้งขี้เกียจไอไหม เ, เดี๋ยวๆให้ อ, อาไอ่ะเดี๋ยวก่อยยอู่ตอนนี้ไม่ไอไว้หน่อยนะอันนี้เป็นขอธรรมดาใหม่ๆมันยังไม่กินถ้ า, อารอบนี้ทรงตัวจนชินขี่เดียจ ว, ว่าชาย อนุสติทั้งหกรายการนี้ความจริงไม่ต้องหลับตาภาวนาก็ได้ตัวอนุสติระวัตตามนึกถึงแต่การหลับตาภาวนาก็ไม่ขอสําคัญขึ้นเวลาหลับตาคนจะพิจารณามากกว่าภาวนาพิจารณาความดีของพระเจ้าเขามาทำของพระอรยสงฆ์พิจารณาแล้วสินน้นในการปฏิบัติว่าเราบุกร่องคนไหนบ้าง พิจารณาอรมณ์จารคานุติกรรมฐานว่าเราทรงจริงไหมอยากได้ศัพย์สบัติของคนอ่นมาเป็นของเรามีบ้างไหมไม่ขครข้องกันมีไหมแล้วก็มาพิจารณาการความรู้สึกทางจิตใจว่าอารมณ์ความชั่วทั้งหลายเราคิดอยากจะทำหรือเปล่าเราอายไหมบางครั้งเราเผลอไลว้หรือเปล่าทําบ่อยๆแบบนี้ไม่ใช่รองก็จริงเมื่อรองริงก็ต้องไม่ต้องเผลอความคเคารพต่อพพุทธเจ้าก็ดีแต่ว่า อดีในพระ อ, อริยสงฆ์ อ, อดีทรงตัวแน่นอนอารมณ์เขาสินหา้ารายการไม่พลาดครั้งโดยเจตนาและจิตคิดว่าอยากจะได้ทรัพย์สมบัติของคนอื่นใดมาเป็นของวนก็ไม่มีมีอยากก่างเดียวคิดสงเคราะหตังคํลาลังแต่อารมณ์ที่คิดอยากจะทําความทั่วเรนการรยด้วยวาจาด้วนั้นตัวใจก็ไมีมอย่างนี้เทียวการทรงตัวถ้าการทรงตัวอย่างนี้ได้นะ แป้ว่าไอตัวท้ายถึงว่าทรงตัวไม่สมบูรณ์ให้มีรมรู้สึกไว้มากมากเผื่อบ้างอะไรบ้างก็ยังดีถ้ารมอย่างนี้มีอยู่ก่อนจะตายตอนบรรดาแทนพุทธบริษัทวันนั้นหรือก่อนหน้าวันตายในวันทุกคนจะเป็นพระอรหันต์และบฏิภานในชาตินี้